นล่นเดินธรรมดาเดินโดยวิธีไหนก็ได้แต่เดินให้พอดีพอดีอย่ากให้มันซ้าเกินไปถ้ามันซ่ามันจะเอ็นเียงไปหรือโน่นไปข้างโน้นโื่นมันจะเซว่าอย่างนั้นบ้านผมเรียกว่าเซมันจะเซจะสวนไปมันไม่ตรงยเดินพอดีพอดีเมื่อทำจังหวะ น, นั่งผะเพียบผมชอบนั่งผัเพียบจิงลุกได้สบาย ลูกขึ้นมีวิธียืนทำจังหวะใช่ไมีวิธีการเลือ ด, ดให้ทําจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะศักทาเรียกว่าจเจริญเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอันเดียกวก่ะเมื่อมันถูกฝาถูกตัวมัน พอดีแล้วมันรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้อย่างแจ้งแจ้งไม่งอน แ, ง, นแง่งขอนแพงเป็นอย่างจริงว่ะมีวิธีอันใดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับต้องมีวิธีการทั้งนะั้นวิธีนี้ไม่มีการบริกรรมและไม่มีการนึกการคิดอะไร บ้านผมเรียกว่าอันใดอะไรทั้งหมดเพียงแต่ให้มีควารู้สึกเท่านั้นควมรู้สึกนี่แหละจะไปบังคับไปไล่ความไม่รู้สึกท่านออกไปสมมุติให้ฟังเหมือนดังที่มีโเก้าอี้ใบเดียวมีสองคนแย้งกันหรือซิงกันเขเป็ปนั่งเก้าอี้ใบนั้นเนนมื่อความไม่รู้มีอยู่แล้วควมรู้เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อมีความรู้อยู่แล้วควมไม่รู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้คําว่าคามรู้ความไม่รู้นี้ไม่ใช่รู้อย่างผิวผิวรู้จริงๆนั่นคือเกิดธรรมะเมื่อรู้จริงๆแล้วต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเรียกว่าวิปัสสนาอย่างเกิดขึ้นดังนั้นการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา จังว่าทำให้มากเมื่อทำให้มากจะไม่นุเมื่อลู่ศาสนาศาสนาคือตัวผลพุทธศ า, าสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานี่เองทําความรมลู่ตัวลู่เข้าลู่เข้าลู่มาเข้าลู่มาเข้าก็เลยเปิดลูแจ้งลู่จริง อันรู้จักรู้จํานั่นรู้จักวิธีทํำจังหวะแล้วก็จําวิธีทําจังหวะไปทําไปเจริญดั่งที่ท่านสอนให้เมื่อท่านสอนให้น่ะต้องรู้จักรู้จําวิธีทำอันนี้แล้วก็ไปทําแล้วก็รู้แจ้งรู้จริงรู้ด้วยตนเองไม่ต้องจําคํำพูดของใครที่ไหนทั้งหมดเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปนามบัดนี้พูดถึงนามลูกอันที่เรามองเห็นนี่เดียวเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวไปมาลู่ตึกตัวกับการเคลื่อนไปเรียวานามอันนี้เป็นรูปนามตอนนามลูปนี่จับไม่ถูกสัมผัสไม่ได้ด้วยมือแต่รู้ได้ด้วยใจ สัมผัสได้ด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่านามลูกคาว่าน้ำลูกนี่มันพูดไม่ได้ก็เลยยืมเอาสมมุติมาพูดเรียกว่าอารมณ์ของวิทัสนาแต่ตัวจิตใจมันรู้อย่างที่เรื่องลูกอะลูกน้านั้นอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของวิทัสนารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงแปลว่าอันนั้น มันเป็นกับพีเป็นเตืออของเรพูดแล้วคนจำได้ดังนั้นที่เราเป็นเรียนหนังสือจดจำมาจากสาหลักตาลานั้นมันเป็นค้างบังจากสุขผมจึงไม่ได้พูดกับสาหลักตาลาเมื่อใครต้องการอยากรู้กับสาหลักตาลาแล้วก็ต้องไปดูออกับตัวหนังสือ วิธีที่ผมทำนั้นไม่ต้องไปดูตัวหนังสือไม่ต้องจดไม่ต้องจอับตัวหนังสือเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วจาได้แล้วรู้แจ้งรู้จริงอันนี้ทาให้จิตใจอันทีแล้วนั้นแปลว่าจิตใจเรื่องรู่ลึกลุ่มน้าจิตใจมืดเกิดความสว่างภายในจิตใจ แต่จิตใจยังไม่เบามันเต็งเพียงความรู้อันบัด น, นี้จิตใจเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งไปอยู่ภาวะหนึ่งแบบนี้มันมันคําเดียวกันนะแต่ว่ามันตอนเป็นนั้นเป็นคนละอันแต่มันพูดไม่ได้ต้องยืมสมมติมาพูดคําว่าอันเดียวกันยังไงมันก็รู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริจ ง, รงเป็นคําพูดคําเดียวกัน แต่ตัวคมรู้นั่นไม่เหมือนกันอย่างที่รู้รูปรู้น้ำนี่ครับนี่ก็รู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้จำเหมือนกันแต่ว่าว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงอันนี้รู้แล้วดีใจแต่ยังไม่ใส่ใจดีอันนี้เป็นอย่างไตอนรู้น้ำรูปดนี่อันนี้ใจดี แต่ไม่ใช่ดีใจมันใจดีนี่าดีใจกับใจดีจึงเป็นคนละเรจากภายในจิตใจจิตใจเกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นเห็นเรียกวะนามรูปพราะมองไม่เห็นนี่วะมันเป็นรูปเกิดขึ้นนี่ว่านามรูปเอานามนามนั่นเนี่มันเกิดขึ้นแต่เป็นรูปของควคิดเกิดขึ้นเข้าใจยังไม่ใช่เป็นรูปอย่างที่ เราจับรูปคํานี่ไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นภาวะของนามเกิดขึ้นมันเป็นภาวะของจิตใจสํานึกเกิดขึ้นในเบงเมื่อเกิดอย่างนี้เนี่ยเรื่องโทสะโมหะโลภะนี้มันจางไปมันจืดไปที่เราเคยพูดกันว่าจิตตั้งมั่นไม่งอนแงขอนแขน็ง นั้นคําพูดกับตัวหนังนสือจำหลักจำหลักคําว่าจิตตั้งมั่นไม่งอนแงนครแทนนั้นหมายถึงทํำควมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเกิดรู้ลูกตื่นลูกเกิดลู่น้ำตื่นน้ำเกิดลู่ลูกทําน้ำทําตื่นลูกทํานำานำทาำจิตใจมันเกิดรู้เกิดตื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่งอนแงนครแทนต่อ อารมณ์ใดๆทั้งหมดเรียกวา่าจิตใจไม่ตั้งเพราะมันไม่ไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันสนใจกับเรื่องรูปเรื่องนามเพื่อนๆณเมื่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจเรื่องวัตถุปรมัตมันก็ไม่งวนแง่งคอนแขนเพราะมันไม่ไปสนใจมันสนใจเรื่องวัตถุเรื่องปรามิตเรื่องอาการเรื่องโทสะโมหะโลภะ มันเข้าไปแน่นแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่สมมุติขึ้นมาว่ามีเก้าอี้ใบเดียวมีคนสองคนแย้งกันนั่นถ้าความไม่รู้ไปนั่งนี้แล้วความรู้เกิดขึ้นไม่ได้มันนี้เมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้จริงวะไม่งอนแงนคอนแทนพูดตามตัวนังซื้อพ่อว่า จิตใจตั้งมัน่นมันไม่ไปนสนใจกับสิ่งนั้นคือมันเฉยต่อสิ่งนั้นได้แต่มันเข้าใจกับสิ่งนั้นได้เนี่ยหูฟังเสียงตาเห็นรูปฟังได้เห็นได้ดมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมได้แต่มันไม่สนใจกับสิ่งนั้นมันมาสนใจกับสิ่งนี้เรียกว่าไม่วันไหวเพราะมันไม่วันไหวต่ออารมณ์ใดๆนี่ ตาหลมของวิปัสสนาเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจเรียกว่าตาคิดก็ได้ตัวตาปัญญาก็ได้เนื่อยากญาณิปัจนาเกิดขึ้นก็นได้อยากกราบนมัส ก, การถามหลวงพ่อว่าขณะเดินนี่จะปฏิบัติได้ยังไงนะะ ม, มันคิดขึ้นมาคุณก็รู้เลยตัวรู้นะ่ยตัวปฏิบัติรม ในขณะมันคิดขึ้นมาคุณรู้อันนั้น เ, เป็นตัวการปฏิบัติธรรมจริงๆคุณไม่ต้องกําหนดอะไรมากถ้าคุณจะกําหนดว่าเดินก้าวไปเท้าซ้ายเท้าขวาซ้ายยกหัวย ก, ยกเพ่งเกินไปแล้วแั่มันหนักเดี๋ยวมันจะตึงเครียดขึ้นมาแล้วมันมดความต้องการของมันคุณทําเล่นๆเนี่ยมันคิดขึ้นมาปุ๊บนั่นเป็นตัวการปฏิบัติธรรมอย่างลึกะ คุณรู้คุณเห็นคุณเข้าใจดังนั้นก็แสดงว่าคุณได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกตอ้องไม่ไม่ต้องพลิกมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ต้องทําก็ได้ด้วยจะทําก็ได้อันนี้มันเป็นเพียงวิธีการมันเป็นเพียงวิธีการเพราะว่าคนมันปัญญาไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินสมัยอัญญาลุลอัญญะพวกมัญจวคีตค่าฝังเทศกุเรตาร้า อั ญ, ญโคชนัญญาตั้งใจฟังแล้วก็มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจเลยสี่คนนั้นฟังปัญญาน้อยแล้วก็ไม่ต้องได้ตั้งใจฟังก็ไม่รู้สี่คนอั ญ, ญโยชนัญญาคนเดียวรู้เนี่ยอัญโคชนัญญารู้แล้วหนอนเข้าใจแล้วหนอนเราเคยได้ยินเราก็ไปเรียกเอาหนอหน อ, หนอหมาพูดกันว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของหนอ ท่านบอกว่าคนนั้นเข้าใจแล้วคนนี้ยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองบัดเนี่ยเราก็บอกว่าพองหนอยุกหนอหลบพ่อทําอยู่เป็นระยะเวลาแปดปีเพราะไม่รู้นั่นเองเมื่อรู้แล้วอ้อไปจะไปพูดทํา ไ, ไมไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามันจะพองจะยุกเป็นเรื่องของมันเนี่ยเราก็ต้องรู้เพียบนี่ให้คุณปฏิบัติใกล้คุณจะไปเพ่ง คุณถ้าเดินไปตายยางหนอ่อขดคุณไปเพ่นเป็นบริครรมเลยผมคิดขึ้นมาอย่างหนักอย่างรู้มันคิดเบาๆคุณจะไม่รู้คุณจะเข้าไปในะผมคิดทันทีวันนี้เราทําตัวนี้เบาๆมันคิดงอกขึ้นมาคิดเบาๆก็รู้คิดหนักๆก็รู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมโดยสิ้นข้อจึงว่าจึงาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, บานด้วยธรรม ธรรมะที่ว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราเนี่โตนึกโตคิดตั้นเองหลวงพ่อลองขยายความว่าความรู้สึกเนี่ยนะฮะจะเกี่ยวกับการตัดกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆเนี่ยนะฮะว่าตัดได้ยังไงนะครับคือบางคนนี่อาจจะเขาอาจจะรู้ว่าเขาเกิดความโกรธหรือความโลภขึ้นแต่ว่าขณะนั้นนี่ถึงเขาจะมีความรู้สึกตัวเขาอาจจะตัดไม่ได้ในทันทีทันใดก็ได้ มันรู้รู้เข้าไปในผมคิดมันเลยตัดไม่ได้ถ้าคุณรู้จริงๆหนะ่อยเห็นเห็นกับรู้มันคนละอันกันนะคุณเป็นเพียงรู้แต่ไม่เห็นเอาสมมติอย่างที่บ้านหลงพ่อนะเคยเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกันสุนักก็มีวัวขุยก็มีเมื่อเลี้ยงสุนัข เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหัวเลี้ยงขย่อยเลี้ยงแล้วมันต้องมีอุจจาระถ้าจะว่าอุจจาระนะถ้าจะว่าขี้ก็ว่าขี้แล้วคนเดินทางไปนะแล้วไปเหยียบเอาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้สุ น, นัขขี้หมาขนะี้พวกขี้หวยนะเขาว่าเห็นถ้าทําไมไปเหยียบมันไม่เห็นมันรู้เฉยๆถ้าเห็นแล้วจะไม่เหยียบเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ รู้มันคิดขึ้นมาเราก็เข้าไปในกรมที่ก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปบ้านนี้เราเห็นมันคิดพวกขึ้นมาผงคิดมันจะหยุดทันทีเนี่ยจะวันเห็นกับรู้จริงว่ามันพูดยากแต่มันเป็นของสบายสําหรับบุคคลผู้ที่รู้มันเป็นของยากสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นเองขอบคุณมากครับผมขอความเมตตาหลวงพ่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับ อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่ออธิบายก็ค่อนข้างจะแจ้งนะฮะสถานีเอ่ออย่างที่ตอนที่เดินจงกรมของหลวงพ่อนะครับที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ควรจะไปกำหนดแต่บอกว่าให้ให้มีสติตามรู้เฉยๆรู้ในที่นี้หมายถึงว่ารู้ตอนก้าวไปแล้วรู้ปัจจุบันหรือว่ารู้ในอนาคตหรืออดีตหรือว่า รู้ตอนกําลังอยางกับขวาย่างอะไรอย่างนี้นะขวากขาขวากําลังก้าวเราก็รู้ว่าขาขวากําลังก้าวหรือว่าก้าวไปแล้วถึงรู้แล้วอีกคำหนึ่งนะครับที่ที่กระผมยังสงสัยคือปัญญาครับคําว่าปัญญาของหลวงพ่อเนี่ยหมายถึงว่าอะไรแล้วเหมือนกับสัญญาไหมครับอย่างที่เรียนจบปริญญาตรีปริยาโทกันอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาหรือว่ามีความจําดีเลิศหรือเรียกว่าสัญญา พอขอความกลุณาหลวพอช่วยช่วยที่แจงนะครับแต่อยากให้มันมากเกินไปรูน้น้อยๆเรากราไปจะรู้บ้างไม่รู้บ้างถ้าให้มันรู้ทุกครั้งมันตึงเครียดอยู่มันเพ่งมาเป็นอุปทานมันยึดรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มันต้องรู้เบาๆไม่ต้องว่ากำลังจะหันกลาบเอาไม่ต้องเอาจะเลยรู้เพียงแต่รูน้น้อยเท่รู้ลก รูไปตามเรื่องของมันเพราะเรื่องของมันมีอยู่อย่างนั้นมันทําหน้าที่ของมันคือตัวสัญญาเรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณเอาเปรียบกันให้พวกคุณได้เห็นคุณเรียนหนังสือเรียนทีแรกมันจําเป็นต้องออกกระดาษบินสองมาตั้งใจวาดเรียนลงไป มันเมื่อมันยังไม่ทันรู้บัด น, นี้คุณได้ปีหนึ่งสองปีเขียนเป็นแล้วเอากระดาษมาวางคุณจะคุยคนนั้นคนนี่ก็เขียนไดน้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณสํานาในการเขียนแล้วคนจะเขียนวัดเขียนอะไรไม่คุณคุณอ่านได้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันมันจะคิดยังไงคุณก็ต้องรู้ทันทีเมื่อคุณรู้จักวิธีกลไกของมันแล้วี่ยังว่ามันเป็นของสบายแต่เมื่อเรายังไม่ทันรู้มันก็ต้องเป็นของยากตอนนี้ แต่ให้เราฝึกไวเท่านั้นเองฝึกไว้แล้วมันจะเป็นไปเองมันเพราะว่ามันทำหน้าที่ของมันเองอย่างที่คุณเขียนเป็นเป็นหน้าที่ของคุณจะเขียนจะเขียนยังไงก็มันก็จะเป็นโตเต็มโตขึ้นมาโตคอโ ต, ข อ, ตขอไปอย่างนั้นเด็หลวงพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้แต่ว่าพอที่จะพูดได้คอก่ขอไข่เนี่ยคุณจะรู้อันนี้เป็นตคอนี่เป็นตขอคุณจะรู้ ถ้าหากอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเขียนตัวใหญ่ๆมาให้หลวงพ่อก็ยังมองไม่เห็นที่หนังสือนีม่มองไม่เห็นเห็นก็ยังเขียนไม่เป็ดแค่คุณนะไม่ต้องอะไรมากจะเพียงรอให้สังขะรู้<ม>นี่เรียกว่าปัญญาปัญญาสามารถมันจะรู้ตัวของมันเองดีว่มันคิดขึ้นมาคุณจะรู้มันไม่มีตัวนะตัวคิดไม่มีตัวไม่มีตนแล้วคุณจะเห็นได้ทั้งนั้น ก็เห็นด้วยเพราะปัญญานั่นเองเนี่ยนี่ว่านักธิปัญญาสมาภาภะอะไรจกสว่างเหมือนปัญญาไม่มีคือตัวปัญญาเนี่นแหละดีว่ามันแก้ปัญหาได้คือว่าคนจะล่วงพลุกไปได้เพราะปัญญามันจะเป็นคอมมันนี่ว่าสัญญาความหมายรู้จาได้ตัวสัญญาตัวนี้ไม่ใช่สัญญาตายแล้วไปจําเรื่องนั้นเรื่องนี้อันจําเรื่องทําการทํางาน อันนั้นเป็นสัญญาอั น, นไม่ใช่สัญญาอันนี้สัญญาความหมายรู้เด็กคอไข่ขอไข่หรือออาของวางไว้ทีนั้นอันนั้นสัญญาเรื่องนึ่ไม่ใช่เป็นสัญญาอันนี้แต่ว่าคํำว่าสัญญาไม่เป็นคําเดียว